ปัจมะปันนาฏหนึ่งกราช ก, กายวักหมวดว่าด้วยกราช ก, กายหนึ่งปฐมมนิริยสักขสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิเกดในนรกและสวรรค์สูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ บุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและในการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง 2. เป็นผู้ลักทรัพย์เือเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในการาม เคยเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาที่อยู่ในปกครองของบิดาที่อยู่ในปกครองของบิดามารดาที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่อยู่ในปกครองของโคดที่ประพฤติธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว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 กล่าวเทศทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยบ้าง 5. <า>เป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทําลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทําลายฝ่ายโน้นยุยงคนที่สมคีกันสรงเสริมคนที่แตกแยกกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกัน พูดแต่ถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกัน 6. เป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่หยาบคายกล้าแข็งเผ็ดร้อนหยาบคายร้ายกาศแก่ผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ 7. เป็นผู้พูดเพอเจ้อคือพูดไม่ถูกเวลาพูดคำไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัย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 จงถูกทำลายจงขาดศูนจงพินาศไปหรืออย่าได้มี 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปปาติกะสัตว์ไม่มี สมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิประการนี้แลย่อมดารงอยู่ในนรกเหมือนถูกนาไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยทำสิประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ทำสิประการอะไรบ้างคือบุคคล 1. เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เกลื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาจากการลักทรัพย์คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย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 แม้แต่สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยไมายไว้ 4. เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่้ำกลางหมู่ญาติอยู่่้ำกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่้ำกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้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 ส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคาที่สร้างสรรความสามัคคี6เป็นผู้ละเว้นข่าจากการพูดคําหยาบคือกล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคําของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ7เป็นผู้ละเว้นข่าจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคาจริง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 คือไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตยพยาบาทไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดส0เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามี มานดามีคุณบิดามีคุณโอปป า, าติกะสัตมีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกภิกสุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการนี้แล่ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว์ปฐมนิรยศักขสูที่หนึ่ง 2. ทุติยนิรยสักขสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุใี่เกิดในนรกและสวรรค์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยทำสิบประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ละถึง 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำหยาบ 7. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อแปเป็นผู้เพ่งเลองอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตพยาบาท 10. เป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลและถึงทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยทำสิบประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ละเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ วางทันทาวุฒิและสศสตราวุฒิมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เกลื้อกูลต่อสรพสัตย์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นข่าจากการลักทรัพย์ละถึง 3. เป็นผู้ละเว้นข่าจากการประพฤติผิดในกางสี่เป็นผู้ละเว้นข่าจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้ละเว้นข่าจากการพูดส่อเสียด6 เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดคำหยาบ 7. เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเพอเจ้อแเป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 10. เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลและถึงทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลก ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทุติยนิรยสักขสูที่สองจบ 3. มมาตุคามามสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้มาตุคามเกิดในนรกและสวรรค์ภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยทำสิบประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสิประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงสิเป็นมิจฉาทิฐิภิกษสุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยทำสิประการนี้แหละย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้มาตุคามประกอบด้วยทำสิประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และถึง1ิเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยทาสิบประการ น, นี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มาตุคา ม, มาสูตรที่สจบ 4. อุปาสิกาสูตรว่าด้วย ทำเป็นเหตุให้อุบาสิกาเกิดในนรกและสวรรค์ภิกษุทั้งหลายอุบาสิการประกอบด้วยทำสิบประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง10เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายอุบาสิการประกอบด้วยทำสิบประการนี้แหละย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนาไปฝังไว้ ภิกษุทั้งหลายอุบาสิการประกอบด้วยทำสิบประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงสิบเป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายอุบาสิการประกอบด้วยทำสิบประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ อุปัสิกาสูตรที่สจบ 5. วิสาระสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้อุปาสิกาเป็นผู้ไม่แ ก, กล้าและผู้แ ก, กล้าภิกษุทั้งหลายอุปาสการประกอบด้วยทำ10ประการเป็นผู้ไม่แ ก, กล้าอยู่ครองเรือนทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์และถึง 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยทรสิบประการ น, นี้แลเป็นผู้ไม่กล้าอยู่ครองเรือนอุบาสิกาประกอบด้วยทรส10ประการเป็นผู้กล้าอยู่ครองเรือนทำสิบประกาก wor Grammy ระกาอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึง10เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยทรส10ประการนี้แล เป็นผู้แกล่าอยู่ครองเรือนวิสาร ะ, ะสูตรที่หจบ 6. สังสัปปติปริยายสูตรว่าด้วยเฮแทงความกระเสือกระสนภิกษุทั้งหลาย เราจากแสดงธรรมบรรยายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมบัญญายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสนเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิด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 กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเขาคดเคี้ยวคติของเขาก็คดเคี้ยวการอุบัติของเขาก็คดเคี้ยวสำหรับผู้มีคติคดเคี้ยวมีอุบัติคดเคี้ยวเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรคมีทุกโดยส่วนเดียวหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานที่มีปกติกระเสือกระสนกำเนิดสัตว์เดรัจฉานที่มีปกติกระเสือกระสนเป็นอย่างไร คืองูแมงป่องตะขาบพังพอนแมวหนูนกเขาแมวหรือสัตว์ผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์ติรชานเหล่าใดเหล่าหนึ่งแม่อื่นๆเห็นมนุษย์แล้วย่อมกระเสือกกระสนการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติเลือกกรรมที่ตนทำไว้ผัสสะอันเป็นวิบากทั้งหลายย่อมถูกต้องสัตว์นี้ผู้อุบัติแล้ว พิสูทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ลักทรัพย์และถึง 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในการม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำยาบ 7. เ, เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 8. เป็นผู้เพ่งเลองอยากได้ของเขา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 ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุคคลนั้นย่อมกระเสือกกระสนด้วยกายวาจาและใจกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมของเขาคดเคี้ยวคติของเขาก็คดเคี้ยวการอุบัติของเขาก็คดเคี้ยวสำหรับบุคคลผู้มีคติคดเคี้ยวมีอุบัติคดรเคี้ยวเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่าง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 การอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทําไว้ผัสสะอันเป็นวิบากทั้งหลายย่อมถูกต้องสัตว์นี้ผู้อุบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ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 กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาก็ตรงการอุบัติของเขาก็ตรงสำหรับบุคคลผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือเป็นคนมีสุขโดยส่วนเดียวหรือเป็นคนมีตระกูลสูงเช่นตระกูลกษัตริย์มหาศาลตระกูลพระมหาศาลหรือตระกูลข้าบดีมหาศาลที่มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโพคะมากมีเงินทองมากมีทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมากมีทรัพย์และเข้าเปลือกมากการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติเ้วยกกรรมที่ตนทำไว้ผัสสะอันเป็นวิบากย่อมถูกต้องสัตว์นี้ผู้อุบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการลักทรัพย์ละถึง 3. เป็นผู้ละเว้นขาจากการประพฤติผิดในการ 4. เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดส่อเสียด 6. เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดคำหยาบ 7. เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อร์ 8. เป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา 9. ก้าเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทสิบเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปาติกะสัตมี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 มีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือเป็นคนมีสุขโดยส่วนเดียวหรือเป็นคนมีตระกูลสูงเช่นตระกูลกษัตริย์มหาศาลตระกูลพราหมาหาศาลหรือตระกูลข้าบดีมหาศาลที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินทองมากมีทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมากมีทรัพย์และเข้าเปลือกมากการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้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 จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายนี้แหลเป็นธรรมบัญญายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสนสังสัพติปริยายสูตรที่หจบ เจตปัถมะสัญญเจตนิกสูตรว่าด้วยกรรมที่สัตว์เจตนาสังสมสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสังสมขึ้นก็วิบากนั่นเองที่สัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มีในอัตภาพถัดไปก็มีหรือในอัตภาพต่อต่อไปก็มีภิกษุทั้งหลาย เรายังไม่ร mm ู hmm. means, support, ้ว so, so, ิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงการทําที่สุดแห่งทุกขของกรรมที่สัตว์เจตนาทําขึ้นสั่งสมขึ้นในข้อนั้นแลวิบากคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากสประการวิบากคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากสี่ประการ วิบาสคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรรไรมีทุกข์เป็นวิบากสามประการวิบาสคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบาสสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตี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 ที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่ประพฤติ ธ, ธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมลาลัยหมายไว้วิบาทคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากสาประการเป็นอย่างนี้แหลวิบาทคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศล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 ส่งเสริมคนที่แตกแยกกันชื่นชมยินดีเพลิเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกันพูดแต่ถ้อยคำที่ข่อความแตกแยกกัน 3. เป็นผู้พูดคำหยาคือกล่าวแต่คำที่หยาบคายกล้าแข็งเผ็ดร้อนหยาบคายร้ายกาศแก่ผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ 4. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่ถูกเวลาพูดคาไม่จริง พูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัยพูดคำที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กาหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์วิบากคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไ ร, ร ม, มีทุกเป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างนี้แลววิบากคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศล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 จงถูกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศไปหรืออย่าได้มี 3. เป็นมิชาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแข่งกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปปาติกะสัตว์ไม่มี สมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกวิบัสคือโทษแห่งโมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากสมประการเป็นอย่างนี้แลเพราะวิบัสคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสประการ เพราะวิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสประการหรือเพราะวิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลายเพราะวิบัติคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสประการเพราะวิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสประการ หรือเพราะวิบัติคือโทษแห่งมนโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสามประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเปรียบเหมือนแก้วมณนีหกเหลี่ยมถูกโยนขึ้นสูงก็กลับลงมาตั้งอยู่ด้วยดีตามปกติฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสังสมขึ้น ก็วิบากนั่นเองที่สัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มีในอัตภาพถัดไปก็มีหรือในอัตภาพต่อต่อไปก็มีภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงการทําที่สุดแห่งทุกข์ของกรรมที่สัตว์เจตนาทําขึ้นสั่งสมขึ้นในข้อนั้นแหลสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากสาประการ สมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากสามประการสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้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 มีสุขเป็นวิบากสาประการเป็นอย่างนี้แหลสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกหนึ่งเป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า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 เป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 4. เป็นผู้ละเว้นข่าจากการพูดเพ้อเจ้อเคอพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์สมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการ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 ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างนี้แหลเพราะสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสประการเพราะสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสี่ประการ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 สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เปรียบเหมือนแก้วมณีสี่เหลี่ยมที่บุคคลโยนขึ้นข้างบนตกลงมาทางเหลี่ยมใดๆก็ตั้งอยู่ได้ตามเหลี่ยมที่ตกลงนั้นๆปฐมสั ญ, ญเจตนิกสูตรที่7็จบ ทุติยสัญญเจตานิกสูตรว่าด้วยกรรมที่สัตว์เจตนาสังสมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสังสมขึ้นก็วิบากนั้นที่สัตว์พึงสวยในปัจจุบันก็มีในอัตภาพถัดไปก็มีหรือในอัตภาพต่อต่อไปก็มีภิกษุทั้งหลาย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 วิปัสคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากสามประการวิบาสคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรละถึงวิบาสคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากสาประการเป็นอย่างนี้แหล ว young, ples, left, es, ิปัสคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรรมไรมีทุกข์เป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างไรละถึงวิบาสคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรรมไรมีทุกข์เป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างนี้แหลวิบาสคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรรมไรมีทุกข์เป็นวิบากสสามประการเป็นอย่างไรละถึง วิปัสสคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรรมไรมีทุกข์เป็นวิบาก4ประการเป็นอย่างนี้แหลเพราะวิบัสสคือโทษแห่งกายกรรมที ah ่ม <playground> ีเจตนาเป็นอกุศลสประการเพราะวิบัสสคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสประการหรือเพราะวิบัสสคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสประการ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 เรายังไม่รู้วิปากกรรมจะไม่กล่าวถึงการทำที่สุดแห่งทุกของกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสังสมขึ้นในข้อนั้นแหลสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกรรมไรมีสุขเป็นวิบากสามประการสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกรรมไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศล มีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรและถึงสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างนี้แลสมบัติแห่งวัจีกกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก4ประการเป็นอย่างไรละถึงสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากสประการเป็นอย่างนี้แลสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรละถึงสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไร มีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายเพราะสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสมประการเพราะสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสีประการหรือเพราะสมบัติแห่งมนโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสมประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทุติยสัญญเจตนิกสูที่8จบ